อีกอย่างหนึ่งบุคคลชื่อว่าบุคคลชื่อว่าเวทเพราะถาว่าถึงที่สุดด้วยเวททั้งหลายบ้างหรือเพราะเป็นผู้รู้แจ้งธรรมะเจ็ดประการคือรู้แจ้งสกายะทิฐิวิจิกิจชาศีและพัตะปรามาศราฆาโทสะโมหะมานะเป็นผู้รู้แจ้งซึ่งอากุสรธรรมอัลลามกอันทำความเศร้ามองให้เกิดในพบใหม่มีความกวนกวายมีวิบากเป็นทุกข์เป็นปัจจัยแห่งชาติชราและมรณะต่อไป ดังที่พระองค์ตรัสว่าดูก่อนสพยะบุคคลเลือกเฟ้นเวททั้งหลายทั้งสิ้นเนี่ยนะของสมณะพราหมณ์ทั้งหลายที่มีอยู่เป็นผู้ปราศจากราคะในเวทนาทั้งปวงล่วงเวททั้งปวงชื่อว่าเวทะคูคำว่าย่อมไม่ไปด้วยทิฐิความว่าทิฏฐิห2อันมุนีนั้นนะละตัดขาดสงบประงับแล้วทำให้ไม่ควรเกิดขึ้นเผาเสียแล้วด้วยไฟคือยานนั้นมุนีนั้นย่อมไม่ไป ไม่ดำเนินไปไม่เลื่อนลอยไปไม่เล่นไปด้วยทิฏฐิทั้งไม่ย้อนไม่กลับมาสู่ทิฏฐินั้นโดยความเป็นสาระเพราะฉะนั้นผู้ที่ถึงเวทคือบรลุอาริยมัคแทงตลอดพระนิพพานกำจัดกิเลสหมดสิ้นท่านไม่ย้อนกลับมาหามิจฉาทิฏฐิทั้ง62สิบสองเลยคําว่าไม่ถึงความถือตัวด้วยอารมณ์ที่ทราบความว่ามุนีนั้นไม่ถึงไม่เข้าถึงไม่เข้าไปถึงไม่ถือไม่ยึดมั่นไม่ถือมั่น ซึ่งความถือตัวด้วยรูปที่ทราบก็ดีด้วยเสียงแห่งผู้อื่นก็ดีด้วยสมบัติแห่งมหาชนก็ดีเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่ถือตัวด้วยอารมณ์ที่รับรู้กันเนี่ยนะมุนีนั้นเป็นผู้ไม่มีตัณหาความว่ามุนีย่อมเป็นผู้ไม่มีตัณหาคือเป็นผู้ไม่เป็นผู้มีตัณหาเป็นอย่างยิ่งไม่เป็นผู้มีตัณหาเป็นเบื้องหน้าด้วยสามารถแห่งตัณหาด้วยสามารถแห่งทิฐิตัณหาทิฐิและมานะ เป็นสภาพอันมุนีนั้นละแล้วแต่ราขาดแล้วทําให้ไม่มีที่ตั้งดังตาลยอดด้วนทําให้ถึงความไม่มีในภายหลังมีความไม่เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดาด้วยเหตุเท่าไรมุนีนั้นเชื่อว่าเป็นผู้ไม่มีตัณหาไม่มีตัณหาเป็นอย่างยิ่งไม่มีตัณหาเป็นเบื้องหน้าด้วยเหตุนั้นจึงชื่อว่ามุนีเป็นผู้ไม่มีตัณหาก็เนื่องจากว่าท่านละตัณหาได้แล้ว คือทุกอารมณ์เนี่ยนะท่านพิจารณาจนถึงก็ตัดฉันทราค่ะในทุกอารมณ์ได้แล้วเนี่ยท่านก็เลยไม่มีตัณหานำหน้าไม่มีตัณหาพาไปควาว่าเป็นผู้อันกรรมและเสียงที่ได้ยินไม่พึงนำไปได้ความว่าอันก ร, รนะไม่พึงนำไปก็คือมุนีนั้นย่อมไม่ไปไม่ดำเนินไปไม่เลื่อนลอยไปไม่แล่นไปด้วยปุญญาที่สังขารคือบุญเนี่ยฉุดท่านนำนำท่านไปเกิดอีกไม่ได้นะ อาปุญญาพิสังขารก็ฉุดท่านไปไม่ได้อานเนรชาพิสังขารก็ฉุดท่านไปไม่ได้อันผ้าอรหันนี้ไม่มีปุญญาพิสังขารอาปุญญาพิสังขารอานเนนชาพิสังขารเนี่ยจะฉุดกระชากลากนําไปสู่ภพต่างๆได้เลยคำว่าเป็นผู้อันเสียงที่ได้ยินไม่พึงนําไปได้ความว่ามุนีย่อมไม่ไปไม่ดำเนินไปไม่ลอยไปไม่เล่นไปด้วยความหมดจดแห่งเสียงที่ได้ยินก็ดี ด้วยเสียงแห่งผู้อื่นก็ดีด้วยสมบัติแห่งมหาชนก็ดีคำว่าเป็นผู้อันตันหาและทิฏฐิไม่นําเข้าไปในที่อาศัยทั้งหลายคําว่าความนําเข้าไปก็นําไปด้วยอํานาจตันหาและทิฏฐิตันหาและทิฏฐิทั้งสองอย่างนั้นอ่ะมุนีนั้นท่านละความนําเข้าไปด้วยตันหาสละคืนความนําเข้าไปด้วยทิฏฐิแล้ว เพราะเป็นผู้ละความนำไปด้วยตันหาสละคืนความนำไปด้วยทิฏฐิมุนีนั้นจึงชื่อว่าเป็นผู้อันตันหาและทิฏฐิไม่นำเข้าไปไม่เข้าไปติดไม่เข้าถึงไม่ติดใจไม่น้อมใจออกไปสละแล้วพ้นขาดไม่เกี่ยวข้องแล้วมีจิตปราศจากแดนกิเลสอยู่สรุปคาถาที่กล่าวไปว่ามุนีผู้ถึงเวทคืออริยมรรคทั้งสี่เนี่ยนะย่อมไม่ไปด้วยทิฏฐิบ ไม่ถึงความถือตัวคือไม่มีมานะในอารมณ์ที่ทราบมูนีนั้นเป็นผู้ไม่มีตันหาอันกรรมและเสียงที่ได้ยินเนี่ยไม่พึงนำเข้าไปได้ก็คือกรรมเนี่ยนำไปเกิดในที่ต่างๆไม่ได้อีกแล้วนะไม่ได้เป็นไปตามบุญตามบาปเนี่ยนะเป็นผู้อันตันหาและทิฐิไม่นำเข้าไปในที่อาศัยทั้งหลายตันหาทิฏฐินี้ไม่นำไปในทุกแห่งเพราะว่าท่านกาจัดตันหาสละทืนทิฐิได้เรียบร้อยแล้ว คาถาต่อไปอีกว่ากิเลสเป็นเครื่องร้อยรัตย่อมไม่มีแก่มุนีผู้เว้นแล้วจากสัญญาโมหะย่อมไม่มีแก่มุนีผู้หลุดพ้นแล้วด้วยปัญญาชนเหล่าใดา ย, ยังถือสัญญาและทิฐิชนเหล่านั้นกระทบกระทั่งกันอยู่ย่อมเที่ยวไปในโลกก็คือกิเลสเครื่องร้อยรัตเนี่ยนะไม่มีแก่ท่านแล้วโมหะของท่านก็ไม่มีเพราะว่าท่านหลุดพ้นด้วยปัญญา ส่วนพลที่คนที่ยังมีสัญญามีทิฏฐินะก็ยังกระทบกระทั่งกันยังทะเลาะกันยังเที่ยวเที่ยวไปอยู่ส่นผู้ที่หลุดพลแล้วก็ไม่มีการทะเลาะเบาแวงกับใครส่วนผู้ที่ยังมีกิเลส ท, ทั้งหลายก็ทะเลาะเบาะแวงกันไปคําว่ากิเลสเครื่องร้อยรัดย่อมไม่มีแก่มุนีผู้เว้นแล้วจากสัญญาความว่ามุนีใดเจริญอริยมตรตมีสมถะเป็นเบื้องต้นคือสมถะ น, นําหน้าเนยนะ กิเลสเป็นเครื่องร้อยรัดเป็นสภาพอันมุนีนั้นขมเสียแล้วตั้งแต่การเบื้องต้นเมื่อมูนีนั้นถึงความเป็นผ้าหันกิเลสเป็นเครื่องร้อยรัดคือโมหะนิวณนกามาฉันทะกามสัญญาพยาบาทสัญญาวิหิงสาสัญญาและทิฏฐิสัญญ า, ญญาเป็นสภาพอันผ้าหันละเสียแล้วทำให้ไม่มีที่ตั้งดังตายอดด้วนให้ถึงความไม่มีในภายหลังมีความไม่เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดา ซึ่งอริยมรรคของท่านเนี่ยนะโดยเฉพาะอรหัตตมรรคเอ่อตั้งแต่โสดาปติมรรคเป็นต้นไปเนี่ยท่านเจริญสมถะเจริญจนได้ฌานเนี่ยนะและอาศัยสมถะเป็นบาตเจริญวิปัสสนาจนบรรลุอริยมรรคพอเป็นผ้าหันก็กิเลส ท, ทั้งหม ด, ท, หมดท่านก็ละได้หมดคําว่ามโมหะย่อมไม่มีแก่มุนีผู้หลุดพ้นด้วยปัญญาความว่ามุนีใดเจริญอริยมรรคมีวิปัสสนาเป็นเบื้องต้น คือนำหน้าเนี่ยนะโมหะเป็นสภาพอันมู้นีนั้นคมเสียแล้วตั้งแต่การเบื้องต้นเมื่อมุ้นีนั้นถึงความเป็นผ้าอรหันแล้วโมหะกิเลสเครื่องร้อยรัตนิวอนการมสัญญาพยาบาทสัญญาวิหิงสาสัญญาที่ถิสัญญาเป็นสภาพอันผ้าอรหันนั้นละเสียแล้วมีราษอันขาดแล้วทําให้ไม่มีที่ตั้งดังตาญยอดด้วนให้ถึงความไม่มีในภายหลังมีความไม่เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดาเนะ มันก็แบ่งออกเป็นสองอย่างนะว่ากิเลสเครื่องร้อยรัดเนี่ยแสดงแก่ว่าผู้ที่เจริญสมถะนำหน้าส่วนโมห ะ, ะผู้ที่สิ้นกิเลสเครื่องร้อยรัดเนื่องจากสมถะนำหน้าแล้วก็ปฏิบัติจนบรรลุอรหันต์เนี่ยนะส่วนผู้ที่สิ้นโมหะก็อาศัยเจริญวิปัสน า, นนาวิปัสสนามหน้าจนบรรลุอรยมรรค คำว่าชนเหล่าใดยังถือสัญญาและทิฏฐิชนเหล่านั้นกระทบกระทั่งกันอยู่เที่ยวไปในโลก น, นะก็คือคำว่าชนเหล่าใดยังถือสัญญาไม่ว่าจะเป็นการมสัญญาพยาบาทสัญญาวิหิงสาสัญญาชนเหล่านั้นก็กระทบกระทั่งกันเบียดเบียนกันด้วยคมสา ม, มารถแห่งสัญญาก็อาศัยการมสัญญาเนี่ยนะก็ทะเลาะกันเรื่องกรมนะอาศัยพยาบาทอาศัยวิหิงสา พระฉะนั้นพระราชาก็วิวาทกับพระราชาแม่กษัตริย์ก็วิวาดกันกับพวกกษัตริย์แม่พราหม์ก็วิวาดกันกับพวกพราหมณ์แม่เครือาบดีเศรษฐีทั้งหลายก็วิวาดกันกับพวกครือขาบดีแม่มารดาก็วิวาดกับบุตรนะก็แย่งเรื่องกามนั่นแหละแม่บุตรก็วิวาดกับบิดาน้อพี่น้องชายก็วิวาดกับพี่น้องชายพี่น้องสาวก็วิวาดกันกับพี่น้องสาวพี่น้องชายก็วิวาทกันกับพี่น้องสาวพี่น้องสาวก็ย่อมวิวาดกับพี่น้องชาย นะอย่างที่ว่าบางคนลูกสองคนกันนันยังฉเฉลาะกันอยู่นั่นแหละนะนะสึกชิงกามา น, นะแม่สหายก็วิวาทกันกับสหายชนเหล่านั้นถึงความทะเลาะแก่งแย่งวิวาดกันทําร้ายกันได้กันด้วยฝ่ามือบ้างด้วยก้อนดินบ้างด้วยท่อนไม้บ้างด้วยสาตราบ้างเพราะความวิวาทนั้นชนเหล่านั้นย่อมถึงความตายบ้างถึงทุกปางตายบ้างเพราะการทําร้ายกัน ท่านผู้ที่ยังถือสัญญาแบบนี้ก็ทะเลาะแก่งแย่งกันนะนะถือการมสัญญาถือพยาบาทสัญญาถือวิหิงสาสัญญานะท่านพวกนี้ก็ผูกเวรก็เกิดการทะเลาะเบาะเวงกันไม่มีที่สิ้นสุดส่วนชนเหล่าใดยังถึงทิฐิว่าโลกเที่ยงโล ก, โลกไม่เที่ยงไปต้นอะ่ะพวกเจ้าลทัทธิพวกถือทิฐิทั้งปวงเนี่ยนะเพราะฉะ น, นชนเหล่านั้นก็กระทบกระทั่งกันคือเบียดเบียนกันด้วยคาสา ม, มารถแห่งทิฐิย่อมกระทบกระทั่งศาสดาจากศาสดา กระทบกระทั่งการบอกทำจากธรรมการกระทบกระทั่งหมู่คณะเนี่ยนะจากหมู่คณะกระทบกระทั่งทิฏฐิจากทิฏฐิกระทบกระทั่งปฏิปทาจากปฏิปทากระทบกระทั่งมรรคจากมรรคเรียกว่าอาศัยศาสดาก็ทะเลาะกันเนี่ยนะอาศัยศาสดาทะเลาะกันอาศัยธรรมะทะเลาะกันอาศัยหมู่คณะทะเลาะกันอาศัยทิฏฐิทะเลาะกันอาศัยปฏิปทาทะเลาะกันอาศัยมรรคทะเลาะกันเพราะฉะนั้นศาสดาก็กระทบกับศาสดานะ ธรรมะกระทบกันกับธรรมะเจ้าลัทธิหมูนะ่คณะทั้งหลายก็ทะเลาะเบาแวงกันเพราะฉะนั้นพวกที่ยังถือสัญญาถือทิฐิก็ยังต้องมีการกระทบกระทั่งกันอยู่อย่างนี้แหละอีกอย่างหนึง่งชนเหล่านั้นก็ย่อมวิวาทกันคือทําความทะเลาะกันทําความหมายมั่นกันทําความแก่งแย่งกันทําความวิวาทกันทําความมุ่งร้ายกันว่าท่านไม่รู้ธรรมะนี้ข้าพเจ้ารู้ธรรมะนี้นะท่านไม่รู้ทั่วถึงข้าพเจ้ารู้ทั่วถึงเป็นต้นเนี่ยก็ทะเลาะกันแก่ แก่งแย่งกันชนเหล่านั้นน่ะยังละอภิสังขารคือกรรมไม่ได้เพราะยังละอภิสังขารไม่ได้จึงกระทบกระทั่งกันในคติเมื่อยังทะเลาะเออยังละกรรมไม่ได้อะไรจะเกิดก็เกิดในพบต่างๆใช่ไหเมืม่อเกิดในพบต่างๆเกิดมาแล้วก็กระทบกระทั่งกันคือกระทบกระทั่งกันในนรกบ้างอยู่นรกก็กะทะเลาะ ก, กันอยู่ใ น, นรกนั่นแหละยอมกระทบกระทั่งในกาเนิดเดรัจฉานบ้างะนะ เกิดเป็นก่เกิดเป็นอะไรก็มาทะเลาะกันมาชนกันอยู่นั่นนะย่อมกระทบกระทั่งในเปรติวิสัยบ้างนะเปรตก็ทะเลาะกันนะย่อมกระทบกระทั่งกันในมนุษยโลกบ้างนะมนุษย์ก็ทะเลาะกันนะกระทบกระทั่งกันในเทวโลกบ้างก็เทวดาก็ทะเลาะกันเหมือนกันย่อมกระทบกระทั่งเบียดเบียนคติด้วยคติกระทบกระทั่งเบียดเบียนกันอุบัติด้วยอุบัติกระทบกระทั่งเบียดเบียนปะ ปฏิสนธิด้วยปฏิสนธิกระทบกระทั่งเบียดเบียนพบด้วยพบกระทบกระทั่งเบียดเบียนสงสารด้วยสงสารย่อมกระทบกระทั่งเบียดเบียนวัตตะด้วยวัตตะกระทบกระทั่งกันอยู่เนี่ยนะย่อมเที่ยวไปอยู่เปลี่ยนอริยาบทประพฤติรักษาบำรุงยังชีวิตให้เป็นไปมันคําว่าในโลกก็คืออบายโลกมนุษยโลกเทวโลกขันธโลกธาตุอายตนะโลกอ่า น, นะสรุปคาถาที่กล่าวไปว่ากิเลสเครื่องร้อยรัด ย่อมไม่มีแก่มุนีผู้เว้นแล้วจากสัญญานะก็คืออาศัยท่านเจริญสมถะนำหน้าแล้วก็อบรมอริยมรรคให้เกิดขึ้นเนี่ยนะนั่นก็ละกิเลสได้หมดโมหะย่อมไม่มีแก่มุนีผู้หลุดพ้นด้วยปัญญานี่ก็หมายถึงพระอรหันต์ที่เจริญวิปัสสนานำหน้าตอนหลังก็บรรลุอริยมรรค ชนเหล่าใดยังถือสัญญามีการมสัญญาเป็นต้นยังถือทิฏฐิมีมิจฉาทิฏฐิต่างๆชนเหล่านั้นกระทบกระทั่งกันย่อมเที่ยวไปในโลกเนี่ยนี่ก็เป็นคาถาที่พระองค์ตรัสกับมาคันธยพราหมณ์มาคันธยะพราหมณ์นี้พอฟังสูตรนี้จบก็บรรลุเป็นพระอนาคามีพร้อมทั้งภรรยาเนี่ยนะตอนหลังก็ละละครอบครัวเนี่ยนะไปบวชสามีก็บวชเป็น พระพิสุพัญญาก็บวชเป็นพระภิษุณีทั้งคู่ตอนหลังก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ทั้งคู่ส่วนลูกสาวก็จากคาถาแรกนะก็ผูกพยาบาทพระพุทธเจ้าตลอดนะว่าไม่เอาก็ไม่น่าจะพูดกันอย่างนี้นะไม่น่าจะทายว่าแมหมไม่เอาก็บอกไม่เอาสิทําไมจะต้องบอกว่าไม่อยากจะเปื้อนแม้ด้วยเท้าเนี่ยนะในสรีระที่เต็มไปด้วยมูดด้วยคูดอันความจริงนี่คนไม่พูดคนก็ไม่ชอบไม่ค่อยชอบฟังอนะ มันก็เลยผูกพยาบาทความที่ผูกพยาบาทเนี่ยไปผูกกับคนอื่นก็ ย, ยังชั่วหน่อยไปผูกกับพระพุทธเจ้านี่เลยแล้วก็สั่งฆ่าพระอริยะไปเยอะนี่เลยแใช้ให้ให้อาเนี่ยไปฆ่าพระอริยะห้าร้อยอ่ะแล้วจ้างคนให้ไปด่าพระพุทธเจ้าตอนหลังเนี่ยก็กรรมก็ให้ผลนักชาตินี่ถูกเฉือนเนื้อตัวเองกินเองอ่ะนะเฉือนเนื้อตัวเองกินเองในที่สุดตายแล้วก็ไปเอเวจีนรกซึ่งคิดว่าโว้ ชีวิตเนี่ยในวัตตะเนี่ยน่าเห็นใจที่สุดเลยสำหรับพนางมาคันธยาเนี่ยนะท่า น, นพระสูตรในอัทธกะวักเนี่ยนะเฉพาะเล่มหกสิบห้าก็ก็จบด้วยประการชนนี้